คนวุฒิบ้างไงมีกระชีเลยไม่ได้มาด้วยกันเป็นไงภาวนาก็พยายามพอิบัตแล้วก็จะเห็นเห็นจิตมันเป็นเห็นมันอยู่ต่างหากดีแล้วมีบางคนตกใจนะดูไปดูไปหาตัวเราไม่เจอเจอไหมเจอตัวเราไหมแค่จิตอยู่ต่างหาแล้วเราอยู่ที่ไหน น, นี่ไงมันยังเหลือเราอยู่ <c oughs> ไม่มีเราดูนะ ม, มีแต่ธรรมชาติที่ไปรู้ธรรมชาติที่ถูกรู้นี่ไม่มีเราไม่มีเรารู้ <c oughs> ใค่ดูไปแล้ความเป็นเราเกิดจากความคิดถ้าเรารู้สึกตัวเราหลุดออกจากโลกของความคิดก็ามเป็นเราก็ไม่มี ไ, มไดายังคิดอยู่นะยังเป็นเราอยู่ <c oughs> ทีละแล้วลใครดูไป บนเป็นไงห้ามไม่ได้เพราะว่าจิตมีหน้าที่คิดเป็นวัดมากเหรอทำให้นั่งห่างๆดีแล้ววุฒิจิตก็ดีนะรู้สึกตัวได้เยอะรู้สึกเร่ยๆรู้สึกปล่อย อาจันจุนมั้งไงจันจุนพิเชาพอลเลยชักกลุ้มใจพอดีนะนะรู้ไปเลอยใครค่อยๆถอดถอนออกรู้ได้บ่อยไหมจันพิเชษพอลเป็นไงคิดตลอดเนเรื่องธรรมดาจิตมีหน้าที่คิด เราไม่ได้ฝึกให้ไม่คิดนะแต่พอคิดแล้วใจมันหลงไว้ใจมันยินนะเรารู้ทันมันนี่สุดจะเห็นเลยว่าจิตจคิดก็ห้าม ม, จจามันไม่ได้ใจจะหลงก็ห้ามมันไม่ได้มีแต่เรื่องบังคับไม่ได้หมดเลยหาเราไม่เจอกายก็ของถูกดูเวทนาสัญญาทัางขานนะทุกองถูกดูจิตก็เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจห้ามไม่ได้ หาเราไม่เจอบางคนตกใจนะจะไปเห็นแรกๆตกใจกลัวว่าเราหายไปไหนบางคน้็ตกใจขึ้นมารู้ทันแล้วตกใจจนใจเป็นกลางแล้วก็ใจแจ่มแจ้งขึ้นมาไม่มีเรา้าทิมไหนตอบคือน้ำมันราใช่ปะ <c oughs> เป็นไงคือน้ำมันราได้เข้าไปเห็นสภาวะที่จิตมันแตกไป นั่นนั่นแหลดีแล้ ว, ลวนะที่จะมาห่วงคุณอมราตรเนี้ถึงบอกให้พบสองคนนี้สาวิกาคนะุณ <c oughs> เนี้ยนะอ ช, ยนะใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้ว น, น, น่าดีนะคุณอมรา เพราะว่าพอคนไปกวนมากเนี่ยเนี่ยลูกหลานพวกนี้แหละอีกวนทั้งวันทั้งคืนนะเหนื่อยเหนื่อยจิตก็ต้องเข้าไปหลบทนี้หลบเป็นชินนะเราไม่เห็นว่าเป็นภพอันหนึ่งมันทําให้เนินช้าตัวเนี้ยช้าเลยนะช้าเพราะว่าตรงนั้นไม่เดินปัญญาะมันจะพอใจนิ่งๆนี <c oughs> ่ก็คลายเองดีแล้วนะคุณมนมราภาวนาดี อีแล้วละใจดูไปเรื่อยตัวตนอะไรไม่มีนะดูไปภาวนามาถึงตรงนี้ก็ตัวใครตัวมันละ <c oughs> <c oughs> คุณสีวุธเภาวนาไม่ภาวนาตก็ไม่เอาละ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่นัดละไม่นัดพบแล้วที่ทางช้างเผือก พอภาวนามาจนถึงใจเป็นว่างวๆ า, างวางไปนะโอ้มันไม่เอาละลูกหลานอะไรเนี้ยนะใจอย่เอานิผ่านใจมันจะไม่เกาะไม่เกี่ยวกับอะไรสบายมีความสุขถ้าใจเราแอบไปสร้างพบนิดนึงเราเห็นนะให้เห็นเรื่อยๆอันไหนที่รู้ทัน ม, มันก็จะหลอกไม่ได้อันไหนรู้ไม่ทันก็หลอกเราอีกสร้างพบแบบเนี้ยสร้างไปเรื่อยๆ นกดีนะนกนกดีนะหนูนาก็ดีขึ้นเยอลยเดี๋ยวยังแก้งทำนิดหนึ่งดูออกไหมเดี๋ยวไปแกล้งทำมันเรานักปฏิบัติชอบไปทคำคําว่าปฏิบัติมันหลอกหลอนเราคําว่าปฏิบัติมันแปลว่าทำ <c oughs> ที่จริงเราแค่รู้เท่านะ่ะรู้ทันพฤติกรรมของใจอย่างคุณแม่มาราเขรู้ทัน ใจมันเหนื่อยมันหนีเข้าไปพักทันคณสีบุษเป็นไงคณสีบุษฮะดีฮะดีฮดีฮะดีดีฮะดีฮะดีีฮะดีฮะดีีดีะดีะดะดีะ ด, ดี ด, นนดีดี ให้ชิงแชมป์นะไม่ค่อยยากนะให้รักษาแชมป์เหนื่อยเวลาปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่เป็นไรอ่ะแต่พอครูบาอาจารย์ชมนะตรงนี้เริ่มแย้ละทาเจ้าชมภูได้ชมภูชมพูภาวนาดีไปวัดไหนครูบาอาจารย์ชมนะเพชมไปสองวัดเท่านั้นเป็นแชมป์เหนื่อยจิดเสื่อมไปสองเดือน เพราะว่าเป็นแชมป์แชมป์ ม, มันต้องรักษารักษาก็คือต้องไปทําอะไรให้มันมากกว่าเก่าความจริงก็แค่รู้ทันรู้ทันนะจิตแอบไปทําอะไรก็รู้ทันไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันนึ่งมันเลิกเลิกทําเป็นอิสระเนะึ้นมาคุยในเวลาดีนะดีแล้ว ไ, ไปได้วยกันเนาะ <c oughs> ทิ้งคนิวุฒิไปกาธรรามา <c oughs> นกเป็นไงนกทําไมวันนี้ดีขึ้นมามเอออไรอะมันดีก็ตรงนี้แหละไม่ได้ทําแต่ไม่เผลอคนส่วนมากพอไม่ทําหรือไม่ประคองไว้ก็จะเผลอไปเลยมันสุดตรงสองข้างหัดใหม่ๆแล้วก็มันประคองนิดนึงเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดานะเรารู้ทันเราไป ค, คลายออกคลายออกมีพระองค์หนึ่งมาจาบวัดป่าสุขโตขึ้นมาเป็นทีมมา หัวหน้าทีมท่านภาวนาพอท่านเห็นว่าท่านเพ่งไว้นะท่านคลายออกมันพอดีของพวกเราเราไม่เพ่งไว้นะเราคลายออกนะ้ำก็หลงเลยยังจะสุดโต๊นี่ถ้าฝึกไปเรื่อยจนจิตใจมีทักษะมากขึ้นพอปล่อยแล้วมันไม่หลงไปรู้แบบไม่ได้บังคับอะรู้แบบไม่ได้จงใจถ้ารู้แบบนี้ได้นะโอ้เส้นทางนี้สั้นนิดเดียวแต่ถ้ารู้แบบ ต้องบังคับไว้พอไม่บังคับใหหลงเลยนะี่ยก็ต้องซอบให้เยอะจนกระทั่งจิตมันคุ้นเคยที่จะรู้จิตมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินถ้ามันเคยชินจะหลงไปมันก็จะหลงนี่เราหัดเคยชินใหม่หัดรู้สึกหัดรู้สึกนะมันเกิดความเคยชินอย่างใหม่เคยชินที่จะรู้สึกเคยชินที่ว่าผอไหลแวบไปก็รู้สึกไหลแวบไปรู้สึกมันจะขึ้นมาเอง นัำจะรู้สึกเองมไม่ได้เจตนาะคุณน้มล า, าเข้าไปละ้ำาล า, านะแอบเข้าไปละดูออกมาในะห้หอ๋อเหรอเคยมาไหมคนนี้หน้าตาเคยเห็ น, นคนนวลจับไม่ได้คนนี้ยังจับได้อยู่อ้างส่งกันบ้านเคยมาแล้วจริงไปเรียนกับคุณแม่ามาลาก็ดีแล้วลนะณอามาลา แ, แคะพวกที่ติดติดรูดออกมาได้เยอะเลย แค่แ okay. น้องออกมาได้มันเก่งหนูนาเหลือหน่อยๆ น, นะเดี๋ยวดีละแต่อย่า ก, กวนคุณแม่เยอะนะไปให้ท่านบอกแนวให้แล้วเราต้องทําเองอย่าไปนั่งเฝ้าไปทำหน้าเออเออเออฝ้าทั้งวันไม่ได้นะเลื้มปลื้มปลื้มปลื้มอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ไม่เอาเลยนะเหลือเชื่ออ่อยมันแบบไม้หน้าสามนวดให้บอกอืมอ่า ไอ้ไล่ล่ะก็อ่อยไล่ล่ะหรืออ๋อดีดีบางคนต้องไล่นะต้องต้องครูบาอาจารย์ต้องดุกขติดครูบาอ า, าจารย์ครูบาอาจารย์ต้องแกล้งดุดุดุด้วยเมตตานะไม่ใช่ว่าดุด้วยเกลียดชังอย่างคนไหนจิตนะมาแล้วมาปลืม้มมาปลื้มกับหลวงพ่อครั้งสองครั้งไม่ว่านะครั้งที่สามหลวงพ่อ่าเล่นงานลนะเมื่อไหร่จะพัฒนาปลื้มนานไป อ้าผู้พีพักษาว่างไงก็เรีรายาวปัญหาจากท่านอาจารย์สิวกับท่านอารย์อมรานะ อ, อ, อืมดีแล้วก็ทําไปงั้นนะรู้สึกเรื่อยๆแล้วนน้นล่นละควโ น, น้นใจยังไม่ตื่นนะรู้สึกไหมยังคิดไม่เลิกให้คอยรู้ทันใจที่หนีพี่คิดไม่ใช่รู้เรื่องที่มันคิดเวลาเราดํารงชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยเราต้องรู้เรื่องที่เราคิด อย่างเราคิดเรื่องคดีอะไรเนี่ยต้องรู้เรื่องที่คิดแต่เวลาเราปฏิบัติเนี่ยนะเรารู้ทันว่าจิตคิดเนียตอนเนี้จิตหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมพออาตา ม, มาพูดให้ฟังก็ฟังแล้วก็หนีไปคิดคิดตามอะคิดทบทวนสิ่งที่อาตา ม, มาพูดรู้สึกไหมฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวธรรมชาติของทุกคนเมื่อฟังแล้วต้องคิดนี่เป็นธรรมดา แต่ว่าเมื่อคิดแล้วเนี่ยให้รู้ทันไวๆว่ากําลังหลงคิดอยู่อย่างขณะเนี้ยใจนี้ไปคิดแวบนะไหลแวบให้คอยรู้นะรู้ไปเรื่อยๆรู้เล่นๆนะเราจะตื่นขึ้นมาหนุ่มนะู้นอ่ะมีจีวรอนนะ่ะรู้จกักหนีไปคิดยงังไม่ไม่ทันไม่เป็นไรนะให้รู้ก็แล้วกันให้รู้ตามหลังไม่รู้ทันหรอก การดูจิตเป็นการตามรู้อาการเกิดขึ้นก่อนแล้วรู้ว่ามีอาการอย่างนั้นนะไม่ใช่รู้ให้ทันนะเนีย่ยตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมเนี่ยแอบไปสังเกตแล้วทราบไหมให้คอยรู้ทันตัวเองเนี่ยรู้ทันพฤติกรรมของจิตใจตนเองการดูจิตเราดูสองอย่างอันหนึง่งรู้ทันพฤติกรรมของจิตใจตนเองมันจะวิ่งไปวิ่งมา อีกอันหนึ่งก็คือรู้ทันความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาอย่างบางทีก็รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเป็นกุศลอกุศลโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยถ้ารู้ทันพฤติกรรมหรือรู้ทันอาการของจิตก็คือเดี๋ยวมันก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวมันวิ่งไปทางหูเดี๋ยวมันวิ่งไปคิดเนี่ยขณะนี้วิ่งไปคิดแวบนึดูดูออกไหมให้รู้ทันนะรู้ไปเรื่อยตามรู้ไปไม่ห้ามไม่ใช่ฝึกเพื่อจะห้าม เราไม่ได้ฝึกเพื่อจะเก็บกดเราฝึกเพื่อจะตามรู้ไปเนี่ยหนีไปอีกแล้วทราบไหมให้รู้เรื่อยๆไม่ห้ามไม่บังคับเห็นแต่ว่าอย่าไหลไปนานคนในโลกนี้นะตื่นขึ้นมาปุ๊บใจจะไหลไปอย่างเนี้ยเนี่ยไหลยอย่างเนี้ยแต่ต้องไหลทีเดียวตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยวันหนึ่งไหลครั้งเดียวใครไม่ได้นะของเราหนะักปฏิบัติใจไหลไปแวบบเห็นแวบบเห็นแวบบเห็น มันจะเกิดปัญญาขึ้นมามันจะเห็นเลยจิตที่หลงไปห้ามไม่ได้จิตที่รู้สึกตัวสั่งให้เกิดไม่ได้เกิดแล้วรักษาไม่ได้เนี่หนีไปอีกแล้วรู้สึกไหมเวลาเราเราคิดขึาดา้นมาได้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามือนเป็นเรจาจำได้หรือว่าเราลืมเอ้ไม่เป็นไรนะสงสัยให้รู้ว่าสงสัยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆเพราะฉนั้นอย่างเรารู้สึกขึ้นมาเอ้ยนี่ถูกหรือไม่ถูกนะรู้ว่าสงสัย รู้ว่าสงสัยก็คือรู้ถูกละใจจะตื่นขึ้นมาเนี่ยหนีเปกแล้วรู้สึกไหมพยายามละไม่พยายามให้รู้ทันไปเรื่อยๆรู้เล่นๆรู้จักใจลอยไหมคนที่เลี้ยงแมวกับหนูเนี่ยใจลอยบ่อยไหมวันหนึ่งนะนานไหมอุยบ่อยกันนานนะ่ะมันต้องกลับข้างกันเป็นปฏิภาคกลับถ้าบ่อยมันก็ไม่นานสิ <laughs> ถ้านานมันก็ไม่บ่อยนะ <laughs> ทั้งบ่อยทั้งนานไม่ได้นะผิดความจริงเนี่ยไปกล้วรู้ไหมรู้เรื่อยๆนะรู้เคยฝึกมาไหมไม่เคยค่ะไม่เคยมาทางนี้ค่ะแล้วแล้วทำไมฟังแล้วรู้เรื่องเร็วทำไมรู้ทันใจตัวเองวิ่งหนีไปก็มีคนแนะนำบ้างค่ะแต่ว่าไม่เคยมาศึกษาจริงจังอือเรียนจากคนนะ บางคนเรียนกับเทวดาบเทวดาแนะนำนี่คนแนะนำนะนี้ใจลอยไปอีกแล้วรู้ไหมรู้ไปอย่างนี้นะรู้เรื่อยๆในที่สุดเรยจะรู้สึกตัวคนในโลกน่าสงสารที่สุดเลยใจลอยทั้งวันหลงไม่คิดทั้งวันเลยไม่รู้สึกตัวไปอีกแล้วรู้ไหมเห็นไหมว่าไปล่อยๆไม่ห้ามนะแต่พอใจลอยไปแล้วรู้สึกใจลอยแล้วรู้สึกตรงที่ใจลอยไปใจฟุ้งซ่านไป เป็นจิตอกุศลตรงที่รู้สึกรู้ทันว่าใจลอยเป็นกุศลในสุดปัญญามันเกิดแ้่จิตที่เป็นอกุศลนิวห้ามมันไม่ได้จิตที่เป็นกุศลก็รักษาไว้ไม่ได้หนีไปแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมมันทำงานของมันเองเไม่ได้จงใจจะทำมันทำงานของมันได้เองเราบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราด้วนะหนุ่มข้างหลังอะรู้จักใจลอยอยังมาบ่อยๆ การส่งกันบ้านก็ยงช่วงนี้ยาีเีย่านก็คือูช mm ่วงแรกที hmm. maybe, ่เคยว่าจงใจิอืมแล้วก็ทเรื่องแบบไม่ทไม่ทอะไรเลยงวะขึ้นอตัวก็ไปถึงุดเนี่ยงปฏิสัรม่งกันประสบการณ์่นประสบการณ์ั้งที่ที่ที่เอาคิดก็คือ่งที่แบบเราไม่ท ออออวเพราะว่ายือแล้วมา่าที่สาเนี่ยสึาที่ถูการลาจะรู้สึกว่าเหมือนความคีแต่ตัไม่าดบางทีารู้ก็ไม่รู้บางพมันไปจอารมณ์คาคิดบางครั้งก็เอคือเป็นเป็นความเบื่อ ในเวลาทำมากินทํางานก็ต้องทําอย่างนั้นแหละนะเพราะสติมันเกิดเองนะถึงอย่างเวลาเราหมกมุ่นกับงานทําไปเรื่อยเราเครียดขึ้นมาเนะี้ยสติจะเกิดเองใ จ, จังมีความสุขขึ้นมามีความสุขขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาใหม่ถ้าตั้งใจทํางานไปนะเวลาที่เราวางภาระเราไม่คิดกระทั่งการปฏิบัติความรู้สึกตัวก็เกิดเร็วเกิดเองที่เกิดได้เพราะเราเคยเกิดแล้วนะ คนทั่วๆไปไปวางภาร่าจะนีไปคิดเลยไม่มีงานทําก็หนีไปคิดนี่แต่เราเคยฝึกฝนในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันมาแล้วนะพอวันไหนเราวางภาระลงไปในสติจะเกิดเองเพราะมันเคยฝึกซ้อมอ่ะอย่างในเวลาทํางานพอเผลอไปใจมันเห็นสติมันเห็นพอไม่ทํางานเนี่ยพอไหลแวบบมันรู้สึกขึ้นเองเลยมันจะสบายอันแรกอะไรนะอันแรก เอันนั้นก็สุดโต้ไปอีกข้างหนึ่งในแง่ที่ว่าทําตามรูปแบบไปเลยอันที่สองไม่ทําอะไรเลยอันที่สามดำรงชีวิตในการทํางานก็ถูกแล้วต้องทําทั้งสามอย่างแหละมีโอกาสทําในรูปแบบก็ทําำก็ไม่ทิ้งทําแล้วได้กําลังมีหน้าที่ทํามาหากินก็ทํามาหากินไปแต่ไม่ได้ทําแบบหลงโลกทําไปแล้วก็กิเลสเกิดก็คอยรู้ทันะ ตรงไหนว่างๆก็รู้สึกของเราไปมันรู้สึกของมันเองตรงรู้สึกของมันเองนี่แค่เป็นผลจากการที่เราฝึกฝนมาละฝึกไปเรื่อยอย่างนี้สบายเนี่นต่อไปถ้าเวลาทํางานก็ทําอย่างที่จันทำนั่นแหละเวลามีเวลาก็ทําในรูปแบบไม่มีเวลาจะทํำตามรูปแบบก็รู้สึกไปเลยเรื่อยะก็ถูกต้องละที่ทําอยู่ทั้งสามแบบนั้นถูกต้องแล้วละการทําในรูปแบบก็ทิ้งไม่ได้นะ ถ้าทิเราอ่อนแอสติไม่ค่อยเกิดเนั้นเนี่ยต้องเดินจงกรมต้องอะไรอย่างเงี้ยต้องทําแต่ธรรมาไม่ได้เดินจงกรมแบบเป็นพิธีการธรรมาก ร, ก, กระดุกระดิกเนี่ยจะรู้สึกตัวตลอดเลยอาศัยการเคลื่อนไหวมันไม่ได้เจตนาหรอกแต่เรารู้จิตมันก็จะรู้กายในรู้กายก็จะรู้จิตถ้ามันเหมือนเหรียญอันเดียวกันมีสองหน้ากายกับจิตอะดูออกแล้วใช่ไหม มันยิงอาศัยกันนี่บางคนเริ่มต้นด้วยการรู้กายถ้ารู้ถูกต้องจะรู้จิตคนไหนดูจิตเริ่มจากการดูจิตถ้ารู้ถูกต้องก็รู้กายนี่ส่วนใหเป็นสู่คำว่ากายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตเคลื่อนไหวก็รู้สึกโดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้สึกกายเคลื่อนไหวพอรู้สึกขึ้นมาสติก็อย่างเดียวกันจิตเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกขึ้นมาสติก็อันเดียวกันสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นก็อนเดียวกันนะ ปัญญาก็เห็นอย่างเดียวกันคือเห็นใจรักกันเริ่มต้นนั่งเพียงกันสไตล์เลยสายโน้นสายนี้มันเรื่องเด็กๆทะเลาะกันถ้าจันทําเป็นแล้วอาจันก็เห็นเลยเดี๋ยวจิตก็รู้กายเดี๋วจิตก็รู้จิตเลือกไม่ได้หรอกพิกไปพิกมาคุณสันติไม่มาเหรอวันนี้มาคนเดียวนี่ชื่ออะไรนะเห็นหน้าบ่อยชื่ออะไรนะอ๋อคุณไผบูดเป็นไงส่งกันบ้านเลย เราไปทำอะไรมาล่ะโดนใครเขาลังแกโดนใครเขาลังแกเอายัางเท่งอยู่ยังจงใจปรับของไว้ยังจริงจังมากไปแต่ให้ค่อยรู้ทันนะไม่ใช่ว่าให้เลิกนะก็คอยรู้ทันไปถ้ า, ามานึนมากๆก็พักผ่กอน ลืมลืมเรื่องปฏิบัติในบ้านปฏิบัตินะทำเล่นเล่นอนะ่ะทำจริงจรินะแต่จริงแบบเล่นเล่น่ะถ้าทำจริงจังเลยจะเครียดเครียดเครียดเครียดแข็งแข็งเบลอเลออยตอนนี้ใจหนีไปทำอะไรคุณไปบูดูออกไหมนี่ที่คิดตับถูกแล้เนี่ยรู้สึกไหมตอนนี้ประคองไหมละ่ะ ควบคุมละเนี่ยตรงนี้ดูให้ออกนะดูออกไมไม่เป็นธรรมดา น, ออนะให้รู้ทันตรงนี้นะของคุณติดอยู่ตรงนี้แหละรเรื่องของมันนั้มใช่เรื่องของเราหน้าที่ของเรารู้ลูกเดียวเออนะถ้าถ้าเป็นเกรงเฮ้ทำไงจะคลายนี่จะจะยุ่งละหาทางคลายนะจะยิงยุ่งใหญ่เลย เวลาจิตมันไปแช่กับอารมณ์นะเหมือนตกไปในบ่อโคลนนะอย่าไปดิ้นนะไม่ต้องดิ้นหาทางขึ้นมาดียิ่งดิ้นยิ่ ง, งจมทําใจสบายดี๋มุโ่โปร่ขึ้นมาเองเพราะมันของไม่เที่ยงมีไปคิดทราบไหมั่นะเนี่ยนะ <c oughs> ตรงเนี้ยปล่อยอย่างนี้รู้สึกไหมไม่เหมือนกัน <c oughs> นะอยู่ไปอย่างเนี้ยนะแต่ต้องทําตามรูปแบบด้วยนะ ให้พระ ส, สวดมนต์เดินจงกรมทำสมาธิอะไรก็ทำไปไม่ทิ้งรูปแบบหรอกทุกวันอย่างน้อยต้องทำทุกวันไม่มากก็ต้องทำนิดหน่อยก็ยังดีเป็นคาวาส